คิไปอ่นยงไปอื่อยู่ในเวลานี้เราจะตะมีอะไรเป็นของดีของดียี่กิดเกิดขึ้นเราต้องเชื่ออ่าเราจะทาความสงบ้องเอาความสงบเงด้วยอย่าไปเกาเกี่ยวกับต้นยาเรื่นงต่างๆพยยามบริกมกเข้าไปดูใจของตัวอย่าไปดูที่อื่น กันหลบลงไปภายในใจตัวใครจะหลบใจตัวใครต่อวางกันยาต่งๆมีความสุขความสบายมีเห็นความสุขความสบายจากการกระทำ้มเงินึเราก็มีหน้าตาหยิ่งแย่งเฉยมีความสุขอยู่ภายในและสุขอย่านนี้ ไม่เปนภัยอันตรายจะไปสถานที่ใดในหอกหนเดหานไปเตาามสุขข้าใจคือสุดอยู่ก็จิตาไปมนเียหายหมืุขกับบ้างวัตถุได้มาอย่างนั้นอย่างนี้มีอกมีใจก็รส่นั้นจิดหายไปเราเกิดร้อนความ้อเรื่องต่าง โลกมันเป็นสมบัติของโลกมันเปสมบัติของเราเรามาหามาพึ่งพาใส่เขาเราจะแจกเขาไปหรือม่อย่างนั้นเขาก็แจกเราไปเราจะเคยเห็นพบชัดการเกิดของเราเมนกันกับจิตของเราที่มาอาศัยกะ ร่างกายอันนี so video, it, as well as well. so it, ้เหมือนกันกับเาไปพักที่โรงแรมเราวอันเอาเอาเป๋าแขวงในโรงแรมเนี่ยคนเวลาใส่โรงแรมไปจะเาขวงในโรงแรมไปผิดกฎหมายเขาจับเป็นโทษเรามายางเราก็จะต้องไปอย่างนั้นของของเราเราเอาไปได้แของในโรงแรมเราไปไได้เพราะเปของของเขา หมึ kho ảng kho ảng ang, đó, ่งสมบัติของเราของานเดียวกันเราจะยึดมั่นถือมั่นจากของของเราขนาดไหนเราควรนำไปในบ้านนอกจากคุณงานทามดีที่เราส้างเอาไว้เด็กกาเด็กใจเด็ใจของเราดูทานถือภาวนามันที่นิพพานามัศึกษามันอารมณ์ใจใจจะมีความปลุกความสบายขอทุกคนจงนไปที่นิพาศึกษา คางลักผิดของตนทู no so ่ย่นวาวสัดขวองต่างๆให้สงบลงนับเมื่อเราทาตามโอวาททำสองของยศพระเท้าเราทุกคนก็จะมีแต่ความสุขความเจรินการอธิบายทํามะเห็นหมาตพอสมควนถึงเวลาขอยยึติตเพียงแต่เนี้ No. <laughs> การปฏิบัติศาสนาหรืเรื่องของศ า, าสนาที่ตนมาที่บอกไราเลยหลใสศรัทธาบวชเป็นพ้าเป็นเนรหรือมีผู้คนประชาสนทั่วไปหลอมใสนับถือพระศาสนาเป็นของบริสุทธิ์เป็นของพระเศษ สติปัญญาผู้มีวิชา่ า, าความรู้ศาสนาเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่บกพร่งเสื่อมหายเนื่องจากพระพุทธเจ้าได้ตััสรู้ธรรมที่บริสุทธิทาาททท์ขวนขึ้นจิตวิจารณารื้อสั้งบารมีมาระยะยาวนานไปสบ ปฏิจจันทเปิดเผษยิเ่ษเป็น ส, สนามารถท่าทายให้นักบัตรถั่วไปในโลกยิ่งสืบ ด, ดูได้ว่าส่วนไหนระบบเครืองเสียหายเทองสามารถจิตจะท่าทายให้คนอื่นที่สุด ถ้าพูงศาสตสนานั้นเป็นศาสสนาของผู้รู้ของผู้บริสุทธ์การที่จะรู้จะบริสุทธ์ของท่านพวกเราผู้เคยศึกษาตลอัเวลาพวกอาจจะเคยอ่านผ่านมาว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจได้ความบริสุทธิ์จิตใจเป็นยมุทถึงนิพพาน <c oughs> ปฏิบัติของพระพุทธเจ้านั้นท่านเลยเมื่น ง, งนอนใจในเหยื่อใหญ่หรือแสวงหาเรื่องอื่นมื่อมั่นที่เจนาไายในพระไทยของพระเอองตลอดมาระายะยาเวลาที่ยัยงไม่ตัดสู้พระเอองจะแสวงหาอัดรมทางปัดสู้ ได้ทราบข่าวว่าใครที่มีความรู้ความฉลาดสามารถเป็นพารหัสอรหันทันต์ตัวเรืเ่องไปศึกษาอย่างไปศึกษากับอาลาลาวกาลามะขวดลุดทธกาดาทดาลามะบุตรนี่เพราะชาวโลกถั่วไปผิวลีสีบาบททั้งสองนี้เป็นทุ่บริสุทธิ์บริบรูบรณ์เลยอัเดชธรร พระองค์คงไปศึกษาเสด็จต่างนาที่นี้พิจาณาศึกษาพิจาณาตามปฏิปัญญาของพระองค์บดยพาไทยเอาใจใส่จริงจังหนึ่งหวังอยากจะรู้อยากจะเข้าใจหลักที่นิสัยของอาจารย์ทางสอนอะไรกับพิจารณาไปตามฝุกหักกายจิตของตัวเรื่อยไปจนผลดีสุดสําเร็จ มรู้ของอาจารย์ทั้งสองทราบรับดีว่าอาจารย์ทั้งสองนี้นเป็นผู้มีคุณน้ำธรรมสูงพอสมควรคือท่านสําเรวชสมาบัติทั้งแปดสมาบัติทั้งแปดอยากทราบอยากเข้าใจก็ไปดูไปอ่านตามตำรักตำราบ้างบอกความละเอียดของสมาบัติเป็นอย่างไร แต่พระองคนไนอนใจพิเจนาดูหล่าสมาบัตินี้เป็นเรื่องที ying, is, times, ่การจัดกิเลสอาสวะภายในหมดตายสิ้นจังหรือไม่ทดสอบที่นี้พิเจนาทบทวนอยู่หลายปลดเป็นเข้าใจในพระไทยของพระองค์เองในพอใจหล่าสมบัตินี้เพียงขวัญขี่กิเลสเหมือนหมุนทับยากายกหมุนออกเหนือไปยากจะงอกขึ้น ญาติในตายเดือดอำนาจหินหนักทับอยู่ยิ่เหลอดกลงโผล่คอขึ้นการเข่าสมาบัตของอาจารย์ทั้งสองหรือความรู้ของอาจารย์ทั้งสองที่เป็นสี่ชิ้นเดืดก็มีในเดียวกันเพราะเหตุนั้นท่านจึงนอน้ายตายตายในคอพัดไยแส่งหาการตัดชะ้นใหม่โดยการ หากเพียมภาริยาทำทุกกับกิริยาเพราะอว่าการทำทุกกับกิริยาจะขาดชีลือใส่ตายไปแต่เมื่อทำไปทำไปจนจุดวิสัยอดนอนผ่อนอาหอารจนในรับกระทานหรือเสวยเลยหลังกายเห้ื่อยห่างเบื่อจะงังจะกระดูกจนเอ็นเท่านั้น จนสลบทลายพระองค์ที่พี่เจนมายอยู่ในพระไทยของพระองค์เองเพราะพระองค์ทําแบบนั้นมาโดทาทายทำบ้านจิตใจเห็นว่บกิเลสมันกมเากาะมันอาศัยกับกายมนถือว่ากิเลสมันเกิดมาจากใจก็เลยทําไปทําไปแล้วก็มาเกิดความรู้ ขึ้นจากการทรมานกายโดยถ่ายเดียวในเด็กที่นี้ได้เจอนาภายในเพื่แก้ไขจิตใจนั้นแหวนกายแตกสลายทังไปจะอะไรบำเพ็ญดวงความดีต่อไปจึงได้ความรู้ขึ้นมาในระยะที่ทําทุกขไปชีวิยากเกียวกับเพียงสามสายสายหนึ่ง เป็นเกินไปพอบีบแถวนั้นก็ข่ะมีการปฏิบัติทมทุกปฏิจัติยานั่นครับเรื่องกายถ่ายเดียวโดยมาบิดคำนึงคำนวณว่ากายเป็นอันหนึ่งซึ่งจะประกอบคุณนงานความยีได้ถ้ามีกายมีใจจิตนั้นก็มีหนทางที่จะยุ่งเหยิงไปเสได้เพราะเรนมีอุปกรณ์ที่จะทำ พอเองจึงทราบเรื่องของทำความเพียนหรืออดทนทรมานกายทําทุกะจียานั้นมันตึงเกินเหตุเกินผลเหมือนสายพิมจุดตึงเกินเหตุเกินผลยิดเข่าท้าที่นั่นจะได้ตังเสียงสนะเพราะพิมเลยขาดขึ้นแต่เป็นประโยชน์ให้ทะยอนยานเกินไป เหม่อด <es v Anyway, S 1> ีดม hmm. so the the the ันก็เม่อดังที่ยานยานนั้นท่านจึงตาวเอาไว้เหมือนคนทั่วไปอยากจินอยากนอนอยากเิ้นอยากเพลินอยากคิดอยากนึกอะไรก็ทําไปตามอาเภอใจเดินมาเลยบันคับบังชาใจทั้งตัวอย่างไรกายทั้งตัวอย่างไรมันชอบแบบไหนจะทําไปตามเรื่องของเน หนีย่อนยานเกินไปพระเอองท่านก็เคยทำมาในขณะที่แ่านดินเค้าก็ได้เกิดนักเกิดผลอะไรสายหนึ่งเป็นสายจึงพอสควรในย่อนและไม่ตึงเกินไปสายตาสายนี้เหนื่ยบิดมีเสียงและไม่ขา หู่เวลาระยะวลาที่ทำทุกขกับจิตวิญญาได้พิจารณาเกิดความรู้อย่างนี้เทียบเรื่องการทําความเพียรเหมือนพีนมสามสายพระองค์จึงนาเสวยพระตยาหานโยตังนาตังตาพิจารณาภายในกําหนดลมหายใจเข้าออกมีสติกระชับต่อคลองจิตใจของตัวหน่อยให้คิดจริง ไปกเก็เกี่ยวกับอันสัญญาอารมณ์ต่างๆเอาสติไว้ในลมหายใจออกอย่างไรเท่าอย่างไรสั่นยาวแส่ไหนลึกตื้นแค่ไหนกําหนดลมหายใจเข่าออกอยู่นั้นจิตไม่ ไ, ไปเกี่ยวขว้องกับอารมณ์อันอื่นจิตของพระองค์ก็รวมได้พระองค์ละลึกนึกได้ในสมัยทรงไผ่ายาวเขาเอาไปเก่ยวไว้แลหวนขวาน พระองค์ทรงนั่งในเริ่มไม่ว่าในคุสูพระองค์ได้รับความถูกความเสบายแต่ลอยจะเป็นเรื่องเหล่านี้มะคือจะทำจิตให้คนที่เลสปัญหาได้และลึกได้ไหมแต่ไหนคือทรงพระยาวก็เอาอย่างนั้นแหละมาจะทํามาพี่เรนาผล็นจสุขจิตใจก็ลงได้เรียนมากเกิด ยามสำรวจต่างๆขึ้นเีหยว่อุดเคยมีอาสาในสติยามระลึกเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอดีตเลี่ยงมาแล้วงานขนาดไหนระลึกได้มันมีอันเคยตาอยู่ถานที่ไหนเคยเป็นอย่างไรเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นใหญ่เป็นเตยอย่างไรมีสอบครืออย่างไรมีสูกมีทุกข์อย่างไรเข้าใจขนาดคัดเคลน ทุกพบทุกชาติจะพิจารณาไปขนาดไหนได้ใ่วันต่อไประยะพําชาติมื่นชาติหรืแสนชาติพอองพิจารณาก็ได้อานันต์ชาติาาไไนานาตมากจนพนารณับไม่ได้ยืนได้ตายเกยิดขอจิตสงบออกหรือมิยานขึ้นนี่เป็นเรื่องทั้งท่านควนจิตพิจารณา ต่อไปทาไมมันเกิดเกิดถึงตายอะไรนั้นเป็นเรื่องก่อให้เิดเหตุตายเหสุขหทุกขหตุหชั่วพิจณาอยู่นั้นจุดรวมอีกเกิดจุดตาใยานรู้จากเรื่องของสัตว์สุติและเกิดที่าณาอยู่นั้นเพิดเพลินใน อดีตชาติของเป็นในความรู้ความเห็นที่ไม่เคยเจอมาก่อนพอมาถึงจะดูปัจจัยก่นคือวิทย์นะความปกดความตายของสัตว์ความสุขความทุกข์ของสัตว์เพราะกรรมอะไรต่ออะไรไปชัดเจนอีกจนถึงเวลาสุดท้ายเกิดสว่างได้อสารพุญญาณคือเทวีชีวิตภายใน พระไถ่ของพระโอรสหมดขึ้นหนู่เรื่องของพระโอรปจะพุทธปฏิบัติตัดชัอริยสัตว์ทั้งสี่นอกจากนั้นกอบพิจารณาหาคือผู้มีประเพณสัยพอที่จะแหนสอนได้โปรดสัตว์โลกคือแสวงหาสาธุผู้ควรที่จะรับธรรมของพระโอค์ พระอง์ไปแนะนํตามสอนกรรจารย์วิทย์ก่อนนอกนั้นก่และนสอนเดือดใจใครมีอุจจาระใสพอตี่นจิตตระหนุพระองค์กไปโปรดตามสถานที่ต่างๆในตำลับตำราทางศาสนาพุทธประวัติเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นประวัติของผู้รู้พวกเราจึงเดืเข้ามาเดือยศรัทธา ความเดือดใสบันใจจะบวบเรามีใครบังค่าบันตาแบบตาเดี๋ยวเรามาบวบแล้ว เ, เมื่อบวบแล้วเราจะทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะเกิดความผ่องใสละกิเลสปัญหาได้อยากมีที่เจรณาภายในทั้งตัวไหมหรยอสร้างอันนั้นทําอันนี้เพื่อที่จะให้จิตหลุดพ้นจากทกิเลสเรามีมาจากที่ไหนพระพุทธเจ้ า, จาบัญญัติบัญญัต กับใครเรแม่สอนสาวโยมองไหนอยาให้ทำสติวิหารทงเจดีย์บวชตรลามเป็นทางลากิเลสปัญหาเป็นทางที่จะข้ามพ้นไปจากโลกจากครสารเป็นจิตที่จะเสพดิเศษมีไหมในตาหนักตรลามีพระพุจ้าสอนสาวโยมกเราหน่อยเทยพิจิตรนาอย่างนั้นเลยเหกัน ควรนั้นสรางอันนั้นควรมีฝั่งอ น, นี้จะมีทุานนะครับหรือไม่มีสงราเขาทาก่อทากันไปเหื่อกันไปหรือเป็นเดอ ก, ก, กอผิดสาหรับธาตุสุขสามเณรผู้ปฏิบัติทางศาสนาใครที่เจริญนะเของตัวเองแต่ทาอย่างไรใจจึงจะสงบทำอย่างนั้นใจสงบไหมเรยงเรียง เ, เป็นสมาธิมีปัญญาขัดล่ยจเรียปัญหาห ใครสางที่ไหนใครทำที่ไหนจะไมเคยได้เคยดีเคยระเสพดีสุดเท่าการทาอย่างนั้นเดี๋ยวให้พไทธจ้าเองถ้าบดีเรื่องเหล่านี้เรื่องเห่บัญดัติวินัยเอาไว้หลายขั้นหลายตอนการทาที่อยู่ที่อาศัยการทำใหญ่เรื่อประมาณก็ปรับอาบัตต้งคาที่เศษซึ่งเป็นทะลุตาบัตอาบัตแทกไม่ใช่อาบัตเบามีคนมาใให้ เราไม่สร้างเลยเตวเองกว่าจะแต่งมีเสงแสดงที่ให้บัตรทำใหญ่เกินประมาณไม่อย่างนั้นก็เป็นอาบัตสร้าง้าที่เศษอีกเหมือนกันนอกจากนั้นในตายจิติก็มีหลายข้อบัตรทำใดญ่ทำโตสูงขนาดนั้นขนาดนี้เลยประมาณท่านก็ปรับอาบัตตายจิติคือตัดบาปปรับกรรมเหตดใดพระพุทธเจ้าจึงเห็นสมการก่อสร้างวัตถุอย่างนั้น เพราะการก่าสร้างวัตถุนี่เป็นเรื่องที่จะกาจัดวิเลตปัญหาภายในนี่ใจใจจึงออกนอกเรื่อยไปใจในไม่เข้ามาภายในคือี่จานณาถาดขันคองตัวมี่จคิดจะก่ออันนั้นสร้างอันนี้ใจใจไม่ได้สร้างไมรได้ทำใจจึงเกิด อารมณ์ปัญ่ามีความด่ากคือกิเลสปัญหามากไม่สุขทับผมเข้าใจเลยไม่สว่างสบายใจเลยไม่สงบสงัดให้คิดจะเราจะได้อะไรคุณรัพยมาจากที่ไหนจะหาดูใบีู้ใดมิ่งจะได้เงินมาใช้ในลีวิตเพื่อจะเรื่องขังเนอะเรื่องของพระพทธสู สามมณีผู้เดียวในศาสนาอาศัยปัจจัยทั้ง4จากคารวะปัจจัยทั้ง4คือจีวรยิ้มท่าเบาเจนาธะและยาแจกัดพวกเราที่มาพึ่งมาอาศัยเหลือเพื่อศาสนาท่าตั้งหน้าตั้งตาประบัติปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน อิสาพยายามเดินโยกวยมภาวะนาะต่างหน้าต่างตาทำความสงบกาสงบใจใจสงบใจหนึ่งมัม่นจะปฏิบัติตัวของตัวให้สมปจจิตถึงจะยินหรือพีมันขนาดไหนก็ไม่ติดข้องไม่ยินดูไม่ย้อมดูจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็จะไปจะไม่ตัดมือเลิกอีกทีนี้พี่เจนะ หาทางออกนดยอมติดหรือนอนใจในชีวิตของตัวมือหน้ามือตาไปฏิบัตรรักษาอเอทยาภายในสิ่งใดที่เป็นไทยทาใจหัวเรงเดือยคุ่นมื่อยร้อสำราญศาสตร์จิตวิทยาใหเกิดปัญญาตับกาบั่นทอน เรื่องเกี่ยเรื่อปัญหาเหล่านั้นให้จบไปหมดไปนมื่อเกเป็นหน้าที่ท้องพระหน้าที่ท้องผู้ปฏิบัติทำไม่ไดสอนให้สั่งอันนั้นทำอันนี้ทายนอกหนักหน า, นายิ่งกว่าการปฏิบัติใจอทองสุเรื่องใจเราเองถือเป็นข้อสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่หน้าปฏิบัติจะเอาใจใส่จะตั้งหน้ารักษา แต่จริงๆแล้วะมีสังขารโยนโสจีวังจินนาบาตันเอนาเสนในสิ่งหาที่เจเนในการบ่าจีวันในการขันอาหารในการดูอาศัยลธิการขันยายาโรคภัยต่างๆรื่งเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของฆราวาสญาตโยมเขา ส่วนที่มุ่งบุญมุ่งผูสศรน์เขาจะมาสร้างให้เขาต้องการบุนต่างการผูกนเขาไม่เล่้ยงหน้ามุงตาจะปฏิบัติละขี้หนึ่งเขามีครอบครัวเพื่อนือของเขาแต่ถ้าอยากเขาทำความดีพิเศษอย่างพราอย่างเงนหน่อยได้แต่อยากจะไปสวรรค์อยากจะมีความสุขในภพชาติทางน้าเขามา ทำบุญซื้นทานเขามาสร้างให้อยู่ให้อาศัยนี่เป็นเรื่องของคารวะภาสนะในสมัยพุทธกามเป็นอย่างนั้นสมัยปัจจุบันคืออาจารย์ที่ท่านมีอาตมีทําก็เหมอนกั น, ก น, กนท่านจะต้องตั้งเน้นในความผากความเพียรของท่านสอนที่สืศีรษะมาเนินบังคับบัญชาใส่เด่นจรงตนภาวานาใส่ทําความผากความเพียรทำลายจิตของตน ให้องใสตากไจากที่เหลือายใ น, นมาดยสอนให้ไปแท่ไปหาออกดีกาอย่างนั้นอย่งซึ่งเป็นเรื่องผิดจากถ้าทำดีในเป็นเรื่องไกลาจากความสงบสุขเราเป็นพระเป็นเนรเป็นนักปฏิบัติค ว, ควรขวัญิิติีิวิจันยนะชำรชจิตระใจขั้ตนถ้าใจเรายิสุขเชิญเถอะ จะมีปลาศาสใหญ่โตมีกระตือรือร้ีชั้นมันก็เลมีสุขเดือดร้อนวนวายแผดเขาอยู่ตลอดเวลาเขาเกีเยียะปัญหามันไม่พอสำวัตถุไดนาเท่ลอยมันก็ไม่พอมีตัวยากใหญ่ใสสูงเรื่อยไสความยากใหญ่ใสสูงเป็นทางผิดจับถ้าทำนี่หมยของพระพุทธเจ้า พระพุทธาจ้ า, าขวัญให้ขันโถดนักน้อยขันจิตถือยินดีตามยินีตามได้ของตนในต่องการเสียกยการสนการเล่นการว่ายฮะแผ่ฮะทำเรื่องต่างๆนานาซึ่งไม่ใช่เรื่องทำลายชื่อรื่อปัญหาไทายเลยพระพุทธเจ้าทราบดูสิ่งที่จะเป็นไทยต่อจิตต่อใจคำนึงหักห้ามเอาไว้ สมัยนั่งอุษาามหาอุบาาเสียสารทำกติใหญ่เป็นเือนต้งเก้าโกศสร้างกติพระที่อยู่ในนั้นไม่ใช่เป็นพระเหมือนพวกเราทุกวันนี้ซึ่งมี้ี่เหลสปัญหาทันหมดกิเลสปัญหานับไม่ได้แต่ท่านก็ได้ยินดี เป็นใจทうう <basket> enrolled, ี лет, ่จะอยู่อาศัยท่านชอบสงบวิเว้ยพอจิตเมื <werd obsessed> ่อเข้าถึงความบริสุทธิ์ท่านจะไม่มีการกังวลเบื่น่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆสถานที่ใดอยู่อย่างไรเปจะมีหาละทำเพื่อความสบายของท่านท่านจะอยู่อย่างนั้นวันนี้สาขาจะมาใช่กติใหญ่ ้ราสาทใดใ่ห้พระเมินอาศัยต่างท่นต่างคนก็ต่างนี้ไปไม่มีใครที่จะอยู่เกี่ยวข้องผลที่สุดได้อาลายนานี่มืองพระโมกขลาแว้พอเป็นผู้ดูแลพะให้เขามีความเหลี่ยมใสเต็มใจทาต่อไปนอกนั้นนี้ไปหมดนี่ดูตามตำหนักตำหลับตำลาตามตำนานทางศาสนา ทำานไม่ก่อสร้างอันนั้นก่อสร้างอันนี้เหมือนเถื่อนาทุกวันนี้ในเ่ออะไรก็หาเรื่องกลางเวรเล็กๆน้อยๆในจำเป็นก็ถือว่าจำเป็นเลืกไปทางศาสนาผู้ปฏิบัติธริญญาณผู้เป็น่างปฏิพธกลางวรเพียงโกนผมตัดเล็กซักห้าก็ถือว่าเป็นปฏิพุทธเป็นเรื่องกังวรในจิตในใจนี่เพื่อเราด้อย่างนั้น ทำอันนั้นทำอันนี้ซึ่งหนึงมีอย่างจำเป็นก็คิดขึ้นทําขึ้นแต่จะทาําให้จิตใจมาหล่งพยาบาดูแลรักษาอาเปณนพัญยาของผลรู้สึกแบบห่ายไกลเด็ดขาดไม่อยากเอาถามให้ก็จะให้ใจมันใสมันสะอาดมันหมดที่เหลปัญหาอย่างไรสิ่ที่พระพุทธเจ้าอบอกให้ทําไม่ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าองหา้ามตับไปทําจะเป็นผิดใน ประเทศได้อย่างไราาพไเพราะประเทศไปคนละเแง่ละมุมที่คันในยอ ม, มเก่าเราที่ไต่ไปเก่ที่เ่อคันมันจะหายได้อย่างไรใจมันเกิดขี้เหน็ดปัญหาใจมันมีปัญญาอารมณ์สิ่งเป็นที่เป็นไทยยากได้สิ่งตึงต่างๆทํ า, า, าทไมเหนื่อยทำราสาสางทําไมอย่างที่ น, นที่ิจนะิตร์มาจหาสิ่งนั้นทํำสิ่งนี้ใจของเราดีจะเสียดีเสี ย, เสยได้ไหมคนที่เอาเป็นช้าง ทำบ้านทําช่องเรามีสิ่งมีของมากมายเขาหมดกิเลสปัญหาไหมความอยากในใจทั้งข้หมดไหมไม่มีเมืหมดยิ่งด่าเถรายยิ่งทาเทรายก็ยิ่งกังวลยิ่นบายภายในใจเถอะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุผลอย่างนี้จึงสอนให้พวกปฏิบัติต่างต่างตาทำลายกิเลสปัญหาเอาใจใส่ในการภาวนา ดูแลรักษาจิตใจท่องสมโดยต้องไปทงานเกี่ยวข้องอย่างทนสอลูกมูและเสนาคนไหอยูทางโฮกะลรยูตนิยมให้อสาพยายามอยู่ตามลูกขมูลเล่อไม้เพาเหตุใดทันจรสอนดังนั้นไม่เลื่อนน้ทาพานะหนักหนาอ่าวห้เราอยู่เลื่อนไม้เราไม่ได้ยึดได้ือเราเลื่ไม้เป็นของของเรา เราการปฏิบัติรักษาจะวอามีภาละเวลาหลับตื่นดินตาขึ้นนะตัวสว่างสบายไปไ่้เดินตรวไปง่ายภาวนางถ้อ า, อาอยู่กูดูยิ้อหานให่โตเท่าไรกว่าจะโลดไดจะแั้วท่างก็แล้วหัวำบากคิดดูวัดใดที่จะเรนเรือวัตถุพระที่สุสามเณรในวัดนั้นจะไม่มีข้อวัดปฏิบัตจะไม่มีการชำระ สาสมจิตใจของตนนี่จะเรื่องต้งวลภายนอกหนักเข้าส่วนดับใดที่มีอะไรหีืหลังอย่างนั้นอยู่ตามกระต๊บตามร้านตามลมไหจะมีทางตรงกลมสวยงามท่านเหล่านั้นจะต้องตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาภายในของท่านเป็นที่เยี่ยมใสเป็นที่หน่ากราวไหวหน้าบูชา ถึงยังไม่ได้เลยถึงเขายังทําอยู่แต่ยังมีหวังมีไม่ได้อะไรไม่มีอะไรแต่ตายใจไม่ยอมทำไม่ยอมรักยอมสาปชนาก็เลี้ยงแต่ซื่อส่วนความจริง้ายในจิตในใจเขาฆ่าเขาเนรไม่มีอะไรมีแต่กิเลสปัญหาเลืมกลับจินใจอยู่เสมอทุกระยะทุกเวลา ตัวขอ ง, อองตัวเองกัตนิตัวของอตัวบ้าว่าเหตเป็นพระตัวใจเป็นมารฐานะกวบคุมไม่อยู่ส่งไปในทางที่ผิดจากอาจจากทำถ้าหากมากาหนดพิจารณาดูภายในตัวตัวตนิตัวบ้าเมืเ่อตัวตนิตัวบ้าไม่เลีเ่ยมไปในตัวเอง คนอื่นจะเหตุเขาเลียนใสเขายินดีจนใจอย่างไรถ้าตสูตประพฤติปฏิบัติทํชนะสาวสารภายในถึ ง, งยังไม่ได้หมาถึงกว่ารักษาพยายามอยู่ไม่ได้ทอ short, ดทิ้งไม่ได้ตายใจมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติไปเพื่อให้หลุดพ้นจากทินน่เหลวคนอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถึงทันยังไม่ถึงที่สุดยินดีได้ เราก็เลื่อมใสเราก็เป็นใจเพราะต่างหน้าต่างตาทําทตามโอหัดคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระบาทของพระพุเจ้าชมกายพุทธทางสันงนันพิานิทำงานทางทางสันงนันพิชานพระพุทธเจ้าทปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าทำสอนอย่างนี้ถ้าเลี้ยงสงฆ์ทำพระพทธปฏิบัติมาอย่างนี้่จะมีคุณงามความดีโลกเท้ายจะเลื่อมใสตาบา่าเบืชาตลอดมา ถ้าหากคนมีที่เดือดปั่นหาไม่ชำระสาสางอยากอะไรทําไปตามอําเภอใจไม่เคยคิดที่จะชาระภายในของตัวอย่างพวกเราทท่านตัวพวกตัวเองก็ยังต้นหนตัวได้คนอื่นที่ไหนเขาจะทั้งเล่าเดินยอให่ที่นี้ที่นั่นสอนตัวของตัวสม่ำเสมอไในอย่างนั้นก็จะได้แต่ชื่อว่าเป็นพระสมณฐาน เป็นพระอยู่ป่าเป็นพระตะกี้แบบจะโดยลงมือในกระทํ า, ทาท ต, ทตามคําเหล่าลูอ่ของเขาตามชื่อที่เขาให้เลยเป็นตาศาสตรก็ะศาสตร์นาจิมศีลเป็นอย่างไรบริสุทธิ์หรือไม่ในกายในวาจาทั้งตนสมาธิความหนักแล่นตั้งมั่นขงนนางจิขงเข้าใจเป็นอย่างไ ร, งรมีหรือไม่ ความสงบเยีอยโยม้าใจไม่เคยมีเคยเห็นปัญญาเพ่จะแก้ไขกิเลสปัญหาเคยเกิดเคยมีปัญญาละถ่องกิเลสได้ไหมหรือหาวิจัยกิเลสลืมตัดจินใจอยู่ตลอดเวลาแต่พิ่เจ้าอย่างไรใจจึงขาดจิตตัดขาดจากสัญญารมเคยมีไหมเมื่อไม่มี ในจิตในใจทั้งเต็มอย่างนั้นเป็นทาเป็นเมลเป็นแต่ชื่อเป็นแต่เทื่อในมีอะไรประเยชน์ดีเส็จกว่าฆราวาสเขาเขาปลาา่ขขอดีหนุนเมลทาทั้งขมาดีมีการงานทุลักอะไรเขาปล่อยให้มาประพฤติปฏิปบัติเสียสละมมาทุกอย่างเข่าควาเงินทองหลูกเมือบ้านช่องเสียสละมา เราจะมาภาวนามาไลฟ์ชีลิมาปฏิบัติปฏิบัติแตมาแล้วทําไมไม่ประเัตตามใจที่ตัง้งเอาไว้กลับไปคิดไปปรินเรื่องใหม่มันสมควรหรือให้เน้นสอนตนระยะเวลาที่มีลมหายใจมีชีวิต อ, อยู่นี่แหละเป็นหน้าที่ที่จะปฏิบัติปฏิบัติที่จะแนะนสอนตน ที่จะเอาใจใส่ในใจในใจทั้งตนเพื่อฝึกอดเยิมละท้อ น, นที่ชั่วที่ยังไม่นายังไงนะเกาะเกี่ยวกับายรายจายใจทั้งตนที่มีอยู่แล้วกำลหงสสารมันออกไปยังห้มันเป็นพิษเป็นไทยแก่ตัวข้องตัวเมืม่อมมีความชั่วมีแต่ควา ม, ด, ม, วามดีมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบความอยาก ภาในใจไม่มีอยู่สถฐ า, า, านที่ใดกอดสุขคัตโตไปสถ า, านที่ใดกอดสุขคัตโตจะมีหรือไม่มีรัฐถูภายนอกไม่เป็นปัญหาใ้ท่านสุขใจท่านประเสริฐจะอยู่ในสถ า, านที่ใดกอดปริมณีพานเห็นไหมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมศ า, ศ า, ศ า, ศาสตราคือนามตาก็หนาวเผยแผ่ท่านปริมณีพานที่ไหนเรื่องไ ม, ม้ไม่ใช่หรือ ทต่นใานน ร, น ร, นร์ตช์เลอกก่อนยืนไม้เป็ตัดชวิตในปลาสาลากระวังเลือกให้างให้ใหญ่โตเราโหลฐานอย่างนั้นสาขามาะอุบาสิตาสร้างให้าเป็นพระทยัยซื้อมไม้ไหนยได้ยืนไม้เป็นที่เรื่รองร่วงกว่าสะดวกกว่านี่เพื่อจิตใจทุกท่านที่บริสุทธิ์แม่แต่ วารีนิานท่านจะยังสอนพวกเราท่านในไส้หน้ใหญ่ใส่สู่ไม่ใชมีเยิมปิดข้องในเรื่องวัตถุอยู่สถ า, านที่ใดถ่าใจบริสุทธิ์ตายสถ า, านที่ใดถ่าใจบริสุทธิ์นั่นคือนิพพานเพอการดับวิเวทพัยหนึ่งมาเลยนิพพานหมายถึง อ, อยู่นั้นอยู่นี้อยู่ที่หมดวิเวท แสร้างใดญตแล้วโหดฐา น, า น, น, น, า น, น, น, นอย่านงนั้นอย่านงนี้หมดยเรศหมดทันสร้างไหมเป็นเจ้าสาววุทันส้างไหองค์ไหนทันสั่งอะไรด้านวัตถุนอกจากท่านจะเป็นเอ น, นาบุญเป็นที่ทการาบไหว้สักการะบูชาของชาวโลกเหนั้นท่านไปพักผอนหรือยเรศที่ใดคนเลื่อมใสศรัทธาเรามาท า, าทให้สร้างให้หรือสมัยปัจจุบันเราง้งเปลี่ยนใจมา คุยอาจารย์ที่มีธรรมะ ม, มีอาจมีทางจริงจังท่านก็ไม่ทำแบบนั้นมีบุบคคลเขานำเขาของเงินทองมาถวายท่านเห็นว่าจะให้เกิดประโยชดดน์ ป, น ป, นประโยชน์อะไรก็ทำไปไม่เคยไปแท่ไปขอจากคนนั้นคนนี้มาขอมาสร้างทนไปยังทีนี้ที่จะมาอีก มันจะเกนเหตุเก้นผลนหมทาขนาดไหนจะเหมาะจะสมกับเพศของสมณะที่เรียนให้อีกนี่คนมาขอกราบเรื่องใหญ่โตเป็นบอเนี่อหาหรือสิ่งใหญ่โตเหลือวิสัยที่จะทาไปหรอกกว่าจะเสร็จกินเวลานืองนานทานจะไมอนุญาตเพราะถ้ามาทาเป็นท้ายเรื่อเกี่ยวข้องมันกเสียง ในวัดในวาอุปถัมภ <is> ์เครืคภาวนาเดินโยมโมโดยสะดวกนี่คีอผู้มีอาจมีทาท่านรักษาอย่างนั้นพวกเราปัจุบันค่วกันอย่างไรไปสถานที <inches> ่ใดเธอกันนืมเครื่องสมัยแล้นเดินโยมภาวนาเดีทํานึนงไหเขาจึงจะหมู่ไปนั้นเขาจิงจะหมู่ไปนี้กว่าเสื้อมีอําหน้ามากกันนะมันเหมือนกับกองขี้ มาแรงาันตอนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลยลืมเมื่อลืม ต, ออตัวหรืตัวมีอัปนะหาเวลาฝึเกี่ยวกับลาส่า ส, สางจิตใจทั้งตัวเลยได้คนมันเหงือกันแบบนี้เลกมันถือกันแบบนี้แต่ที่มีอัปมีธรรมท่านผนึก ท, ท, ทั้งเวทจิตใจที่มีขี้เหนื่อยัญหาลืมเนื่อลืมตัวไม่ยอมชำระส่า ส, สางตัวทั้งตัว สองพิจิตรพิจารณาสอนตัวเครืงตัวเหมือนพำระสาสารการเดินดงกลมภาวนาการละกิเลสเป็นจิตของพระของเมรในใจจิตอื่นที่จะเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าการทําความเพียรเพื่อชำระกิเลสเมื่อทุกคนตั้งหน้าตัางสาส้งตาชำระภายในคือชำะก า, ายลา ย, จายใจใจเคร่งจึให้หมดจากกิเลสนั่นแหละ ถึงจะในจจใจเศษวิเศษมีคนนิยมคนชอบนับถือก่อตามคนนั้นแหละในเชือ่อกผิดของพระพุทธเจ้าลูกของแตถาคว่แต่คนที่เดินผิดออกไปจากสิ่งเหล่านี้อย่าไปพูดไปถามถึงนับถึงผลจิตใจของเขาจะต้องกัวงวลหวั่นว่าเดือดร้อลืมเมื่อลื ม, ล ม, ลมตัว ดำอมหุดเนื่อยไใจจนพยายามจาิตพิจารณาถ้าอยากจะเป็นพระเป็นเนรอยากจะเห็เเเเนมักเห็ผลรีบประทำํำบาเพ็ญสอนตนเข้าตนเตือนตนเข้าตนให้พิจารณาภายในสำลักกายใจท่องตนอยู่ตลอดเวลาในอย่างนั้นจะโดยมีอะไรภายในตัวมีแต่เพศเท่านั้น ในเป็นเพลในเ่องแบบหลอกเข้ากินแต่เราเป็นพระเป็นเนรเป็นผู้สบเป็นผู้เปิดเผยแต่อะไรได้ยี่หล่ปัญหาภายในใจทับผลจนตีอยู่ตลอดเวลาถึงไม้มีครอบครัวเพื่อนเนี่ยไปวิ่งวุ่ น, นหาขโมยของเล่าท้องสอนใจข้องตัวเรามีทางที่จะสอนเราไดา้มีทางที่จะดูเราได้ เพราะเวาหน้าที่การงานทุกด้านไม่มีอะไรนอกจากจะชำระใจทุงตนถ้่ในสอเตียวท่องตัวในเตรีมตัวท้องตัวมาเบื่นแล้วควยใจจะอยู่จะกินจะหลับจะ น, นอนเท่านั้นเดิ่ไเด้เอาทานอะไรในการงานขอวัดปรตูแบบมันเสียเเียงเปลี่ยนเรื่องไก่เรื่องหมูมันอ้วนหนี้ทีมันก็อ ย, อยังในขายเนื้อของมัน โดยเรียงพระเนรที่ในมือขอว่าปฏิบัติในต่างาางางงต น, น, น, นต่างๆทัออะละจิตใจทั้งตนมาเป็นผลเป็นประโยชน์อะไรเลยเป็นเรื่องที่เกลียดปัญหาทำให้ทางเหงานเสียหายไปเรีองโจรให้ตปนศาสนาพยายามคิดวิจันนนะายนาพยายามรักษากายใจ ท, ทั้งตน รอนหนาวมันมีไปจำโลกมาอย่าไปคิดว่าเป็นอุปรสรรคสำคัญยิ่งใหญที่แผลเผ า, าจิตใจของเราว้ากว่านั้นถ้าหากเราไดยสำลักสายสั้เยื่อนได้ตายเกิอดอยู่นับครบนับช า, บนนาติไม่ได้จะต้องเดินไเรื่อยๆไปความสุขความทุกข์ความร้อความหนาต่างๆชาตินี้ให้ถือว่าเป็นจิติณ ช, ชาติของเราจะต้องตังหน้าตภ า, าวานาให้พ้ น, นจากจิตเหล เด็กทุกคนสอนตนอย่างนั้นและตั้งใจอย่างนั้นความภาคความเพียรกว่านับวันที่จะเรียนเก่หน้าจิตใจที่เคยสายแสไปตามขีดเดืปัญหากว่านับวันจะสงบผล็น ท, ที่สุดนักผลที่มีตามตามตลับตำราจะตากิดขึ้ในในจิตในใจทั้งเป็นฉะนั้นขอทุกท่านสมัคร น, นําไปที่นี่พิเยนาศึกษาตั้นปฏิบัติ โดยจะสบแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะจนพอเพี่งถึงเวลาพอยุิแอ น, นี้เดอร